ผู้ใดทําใจให้ถึงความเป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวงหลวงผู่เทศเทศรังสี ผู้ใดทําใจให้ถึงความเป็นกลางได้ผู้นั้นก็จะพ้นจากทุกทั้งปวงในทั่วเป็นคําที่หลวงปู่เทศเทศรังสีได้กล่าวเอาไว้สําหรับผู้ที่ต้องการความพ้นทุกเราตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจิตใจเราเนี่ยเป็นกลางบ้างหรือเปล่า ความเป็นกลางของจิตใจเนี่ยเราอย่าไปคิดหาบางทีเราคิดเอาเนี่ยมันทีทำให้ใจเราเไม่เป็นกลางเลยรักษาภาวะของความเป็นปกติของใจเอาไว้ภาวะของความเป็นปกติเนี่ยคือความเป็นกลางซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วนะความเป็นกลางนี่ยภาวะปกติของจิตที่ไม่ขึ้นไม่ลง ไม่ยินี้ไม่ยินร้ายรู้สึกตัวอยู่เป็นกลางๆเป็นปัจจุบันอย่างนี้แหละที่จะเป็นปกติสบายสบายทุกอย่างไม่เกิดขึ้นนะถ้าปล่อยความคิดมาครอบงาเมื่อไหรนะ่้วก็เดี๋ยวนนะเริ่มละเริ่มไม่เป็นกลางนะฮะเริ่มไม่เป็นปกติแนละ้ที่เราเนี่ยต้องการเพียงแค่เนี้มันก็มีความสุขนะอันที่จริงแล้ว ถ้าลองสำรวจดูชีวิตเราดีๆนะเราจะพบว่าชีวิตต้องการเพียงภาวะที่สมดุลระหว่างกายอันวันมาซึ่งความปลอดโรงสบายใจอาจจะต้องการเพียงแค่นี้ก็ได้เพียงแต่ว่าเราต้องมีเวลาที่จะหันกลับมาดูตัวเอง มาดูกายดูใจเราด้วยความรู้สึกตัวนี่เราก็จะได้คำตอบถ้าเราอาศาัยสติอย่างรู้ลงไปที่กายของเราเราจะรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ต้องการอะไรมากเลยนะกายไม่ต้องการอะไรมากเลยขอเพียงแค่ปัจจัยสี่อาหาร เพื่องุ้งหม่มที่อาศัยแล้วก็อย่ารักษาโรคยังพอดีไม่ขาดไม่เกินถ้าขาดไปก็มีปัญหามากเกินไปก็มีปัญหาอาจจะมีส่วนประกอบของกายก็คือการออกกําลังกายการนี้ต้องมีการเคลื่อนไหวนะการพักผ่อนการขับถ่ายการอยู่ในอากาศที่ปรับปร่ง ถ่ายเทได้สะดวกชีวิตส่วนกายเนี่ยต้องการเพียงแค่นี้เพ่านั่นเป็นส่วนเกินทั้งนั้นต้องการแค่ปัจจัยสี่การออกกาลังกายการพักผ่อนการกลับทายการอยู่ในอากาศที่ปรับลงเพียงแค่นี้กายก็อยู่ได้แล้วเก ว, ว่าเป็นความพอดีต่อร่างกายส่วนความพอดีของแต่ละคนแต่ละท่านนั้นอาจจะต่างกันบ้าง เช่นว่าเรื่องอาหารบางคนอาจจะทานอาหารชามเดียวอิ่มแล้วอันนี้คือพอดีของเขาบางคนต้องสองชามบางคนต้องสามชามจึงจะเกิดความพอดีการนอนกันเหมือนกันการนอนการพักผ่อนแต่ละคนมีความต้องการทางร่างกายให้เกิดความพอดีมันต่างกันอาจจะไม่เท่ากันการใช้เครื่องนุ่งหฮมบางคนต้องใช้หลายชุด ตามสมมติจึงเกิดความพอดีบางคนอยู่ในอากาศหนาวในถิ่นที่มีอากาศหนาวก็ต้องใช้เสื้อผ้ามากหน่อยขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละบุคลคลเรื่องความพอดีเนี่ยไม่มีใครบอกใครได้นะว่าต้องขนาดนี้เท่านี้นะเป็นมาตรฐานไม่ใช่ความพอดีเราต้องกลับมาดูตัวเราเราจะเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยต้องการความพอดีแค่ไหนจชนนักปฏิบัติธรรมบอกว่า เราจะทานอาหารแค่ไหนจึงจะเพียงพอกับร่างกายไม่ต้องไปถามใครเราต้องรู้เองเราต้องนอนขนาดไหนจึงจะพอดีเราต้องรู้เองเพียงแต่เราอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยสำรวจลงไปที่กายที่ใจเราเราก็จะได้คดําตอบที่ก็ส่วนร่างกายส่วนจิตใจนั้นถ้าเรามีความรู้สึกตัวเรารู้ลงไปที่จิตใจเราจะรู้ว่าจิตใจเนี่ย เขามีความเป็นปกติพอดีอยู่ก่อนแล้วมีอยู่ก่อนแล้วแต่ที่ทำให้จิตใจเราไม่ปกติไม่เกิดความพอดีนั้นอันนี้ก็ต้องยกให้เจ้าความคิดที่นำเอาตัณหาความพอใจความไม่พอใจมาสู่จิตใจทำให้จิตใจจะต้องแบกภาระของความไม่พอดี ทำให้ร่างกายต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อจิตใจเหน็ดเหนื่อยแล้วไม่เพียงพอนะเพราะตัณหาปรุงแต่งเนี่ยก็ใช้ร่างกายไปทำงานไปทำหน้าที่จึงเกิดการเหน็ดเหนื่อ ย, ยตัณหาเนี่ยเขาไม่พอดีหรอกมันก็ดิ้นรลนทยายอยากเรื่อยไปมันก็เป็นทุกข์ทำให้ร่างกายกับจิตใจเนี่ยไม่เกิดภาวะสมดุลเบียดเบียนต่อกัน กายเบียดเบียนจิตจิตก็เบียดเบีย น, ยนกายไม่เกิดความพอดีแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวรู้อยู่ดูอยู่เห็นอยู่ที่จิตใจเราความรู้สึกตัวเนี่ยจะทำหน้าที่ขับไล่ปัญหาออกไปจากจิตใจเพราะว่าเป็นปกติเป็นกลางก็จะเกิดขึ้นในจิตใจทันทีเมื่อมีความรู้สึกตัว จิตก็จะเป็นอิสระมีสติปัญญาเข้าไปแทนที่ตัณหาความพอดีเนี่ยเกิดจากความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยก็ทําให้กายให้จิตเนี่ยอยู่ในภาวะที่พอดีคือพอแล้วดีตัณหาในมีแต่ความดิ้นรนทยานอยากไม่มีความพอดีคือไม่พอมันจึงไม่ดี เรื่อนถ้าหากว่าเราจะสแสวงหาก็สแสวงหาไปเถอะแต่ขอให้สแสวงหาด้วยความรู้สึกตัวจะสแสวงหาแบบพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปจะใช้จ่ายจับใจใช้ซอยก็ใช้ไปเถิดแต่ขอให้จับใจใช้ซอยด้วยความรู้สึกตัวเราก็จะใช้ซอยอย่าง พอดีความพอดีเนี่ยทำให้เกิดเพราะว่าที่สมดุลทั้งกายและจิตความรู้สึกตัวความพอดีหรือความพอเพียงความสันโดษอันนี้เป็นความหมายเดียวกันแต่ต้อเริ่มตันด้วความรู้สึกตัวนะเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จิตใจเมื่อจิตใจพอดีแล้ว กายก็พอดีการแสวงหาก็จะพอดีไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนแล้วก็ไม่เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติด้วยความรู้สึกตัวทําให้เกิดความเป็นกลางจะเรียกว่าเป็นทางสายกลางก็ได้อันนี้เป็นหลักธรรมนําพาชีวิตเลยนะหลักธรรมนาพาชีวิตให้พอเพียงก็คือความรู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวนี่มันก็เกิด ทางสายกลางขึ้นในจิตใจเราเพรา ะ, ะนั้นชีวของเราเนี่ยไม่ต้องการอะไรมากต้องการเพราะว่าที่สมดุลทางด้านร่างกายและจิตใจไม่ให้เบียดเบียนกันใจมันก็จะมีความสุขบางทีเราคิดมากพูดมากทามากปัญหามันก็มากมันก็เหนื่อยมาบางทีมันก็ทุกข์มากด้วย แต่ถ้าเรารู้จักที่จะเลิกการดิ้นรนสแสวงหาโดยการที่จะเอาชนะความคิดเอาชนะความดิ้นรนตามความอยากที่เราเคยทํามาพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นอยู่เพียงแค่นี้ชีวิตเราก็จะมีความสุขสุขพอดีด้วยสําคัญมากเพราะว่า ไม่ว่าเราจะดิ้นลนสแสวงหาไปมากสะเพียนใดก็ตามสิ่งเหล่านี้เราก็ติดตัวไปไม่ได้หรอกเขาไม่ใช่ของเรานะเราหามามากเท่าไหร่นี่หรือเท่าไหร่นี่มันก็ไม่ใช่ของเราเขาเป็นของธรรมชาติก็จะติดตัวเราไปไม่ได้เลยคือเราตายไปเนี่ยจะติดตัวเราไปไม่ได้นอกจากบุญกุศล ด้วยกุญาความดีที่เราได้สั่งสมเอาไว้สิ่งเหล่านี้เป็นแก่นสารสาระของคิวที่แท้จริงที่จะติดตัวเราไปในความสุขของผมเนี่ยการสแสวงหาหรือว่าเป็นรายรับกับการจับจ่ายใช้สอยหรือว่ารายจ่ายสองอย่างเนี่ยถ้ามันสมดุลกันแล้วก็ มันก็มีความพอดีมันก็ไม่เดือดร้อนโดยเฉพาะรายจ่ายสำคัญรายรับนี่ไม่สำคัญนะถ้าเรารับมามากได้มามากถ้าใช้จ่ายมากมันก็หมดเหมือนกันแต่ถ้าเรามีรายรับน้อยแต่เราใช้จ่ายน้อยมันก็จะมีส่วนเหลือยิ่งถ้าเรามีรายรับมากมีรายได้มากแต่เราใช้จ่ายน้อยมันก็มีเหลือมาก สำคัญนะที่รายจ่ายรายรับนี่ไม่สําคัญต่อรายจเพราะนั้นหลักธรรมที่นําพาชีวิตพอเพียงนั้นกล่าวาไปแล้วก็คือทานสายกตาสรุปลงที่ความมุขตัวนี่ถือว่าเป็นหลักธรรมนาพาชีวิตที่พอเพียงาตามทัศนคของผมนะถ้าเราปฏิบัติตามนี้ได้แล้วก็ที่เราจะมีความเป็นปกติอย่างพอเพียง แล้วก็ตามเราต้องมีเวลานะหันกลับมาดูตัวเองหันกลับมาดูกายใดยใจของเราด้วยความรู้สึกตัวเราก็จะได้คาตอบเกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงหรือทางสายการ